นักบวชต้องเคารพสิกขาบท ว, วินัยการทำผิดสิกขาบท ว, วินัยเกี่ยวกับเงินทองมีสข้อ 1. รับด้วยมือตนเองต้องอาบัตินิสักคียปาจิตตี 2. เก็บไว้เองต้องอาบัตินิสักคียะปาจิตตี 3. ใช้จ่ายด้วยมือตนเอง ต้องอาบัตินิสักคยะปาจิตตีเรามองมองดูพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่คิดว่าท่านจะดำรงไว้ซึ่งศิขาบทวินัยกลับประสบความล้มเหลวเจ้าคณะผู้ปกครองเอาของมาถวายเราในยามวิกาลสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่อาหารเครื่องฉันเครื่องแห้งยังแถมมีซองปัจใจัยใส่ในพานมาด้วย เราก็นึกว่านายเราคงไม่ทำอะไรเสียหายพอไปรับมาแล้วมาเปิดดูมีเงินอยู่ในนั้นสองพันบาทเราก็นึกในใจว่าดีแล้วจะได้แจกเด็กน้อยไปซื้อขนมบางทีไปไหนมาไหนเนี่ยโยมมันแอบเอาสตางใส่ย่ามพอเห็นอยู่ในย่ามนี่มันปลิวว่อนไปเลยไปทำพิธีเสียสละ เสียสละแล้วก็เอาคืนอยู่มันแสดงอาบัตไม่ตกเสียสละมันต้องโยนปล่อยโปรยทานไปเลยทำพิธีเสียสละด้วยพิธีกรรมแล้วก็ยังเอาคืนมาอยู่คล้ายๆกับหลอกตัวเอง